วันท้อแสงคืนแม้ยาวนานแต่มันจะผ่านไปเมื่อวานฟ้าสดใสวันนี้ ให้น้อยลงอีกวันอยให้ความทุกข์บีบขันชีวิตจะมือ ใจเรียน ต่อเราเข้าใจเรียน